และได้ทำงานในกิจการรถไฟนี้มาเป็นเวลานานถึง20ปีแล้วเขาได้ก้าวเข้าไปใกล้อีกและได้ลดเสียงลงเป็นเสียงพูดอย่างธรรมดาว่านี่คุณใจผมช่วยอะไรไหมดูคุณไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมชายผู้นั้นหันกลับมามองดูเรนส์เบิร์กและเรนส์เบิร์กได้เห็นว่าเขาเป็นนายทหารสวมเครื่องแบบทหารพุทธาของอังกฤษ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 ตามปกติเขาจะมาในเดือนตุลาคมหรือบางทีก็เดือนธันวาคมคุณเพิ่งมาอยู่ที่นี่เพียงหกสัปดาห์คงยังไม่รู้อะไรไปถามโชว์มานเถอะเราจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณฟังเองในปีคศ1 9 4 7อันเป็นปีที่เรนส์เบิร์กเห็นภาพของชายประหลาดผู้นี้นั้น